บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งคำถามของท่านโพสละมนุษย์ซึ่งเริ่มต้นด้วยการแสดงความเชื่อถือที่ท่านมีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหมายถึงความเชื่อมัน่น ในพระคุณทั้งสมของพระองค์คือเชื่อมั่นในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหาคุณาคุณของพระภูมิพระภาคจากโดยกล่าวว่าพวกข้าพระองค์มาด้วยความประสงค์ปัญหาจึงเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ ตัดความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวมีความคงที่ซึ่งคุณสมบัติที่ท่านยกขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นนั้นเน้นเห็นถึงความเชื่อมั่นในพระคุณทั้งสามประการดังกล่าวแล้วปัญหาในข้อต่อไปท่านจึงถามว่าสาัตว์ทั้งหลายที่ได้รู ป, ปรสัญญา ก้าวล่วงรูปสัญญาไปได้มองเห็นว่าอะไรแม้หน่อยหนึ่งก็ไม่มีนั้นบุคคลเหล่านั้นควรจะปฏิบัติตนอย่างไรคำถามในลักษณะนี้เป็นการถามถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้ว ไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ก็ก อ, อให้เกิดปัญหาขึ้นภายในใจว่าด้วยการวัฏิบัติเพียงระดับนี้ชื่อว่าถึงที่สุดแล้วหรือยังแต่นั้นท่านจึงมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าลักษณะคำถามนี้จึงเป็นการถามในอารมณ์ของสมถกรรมฐานอีกสี่ประการที่เรียกว่าอารูปกรรมฐาน อารมณ์ของสมถานนั้นทรงแสดงไว้ในที่ทั่วไปเป็น40สประการแตกอีก4ประการนั้นไม่ค่อยนำมาพูดกันทอนนี้เป็นเพราะว่า <c oughs> เป็นกรรมฐานระดับสูงซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับรือต้องบรรลุรูปฌานไปก่อนจึงไปเจริญกรรมฐานอีก4ประการนั้น ถ้าปรารถนาจะไปทางนั้นเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุมาแล้วในสมัยที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอราราดาบด์คาลามโครและอุตกาดาบุรามบุตรซึ่งในสมัยนั้นทุกขั้นตอนที่แต่ละท่านได้ศึกษาและปฏิบัติกัน พอถึงจุดหนึ่งท่านก็หาทางไปไม่ได้แล้วท่านกำหนดว่าตรงนี้แหละหมดสิ้นแล้วคือจบแล้วดังนั้นจึงมีการบัญญัตินิพพานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปบางพวกได้บรรลุรูปไปฌานมีความวิตกวิจารณที่เป็นกุศลจิตใจประกอบด้วยปีติเอิบออิ่มใจ สุขความสบายกายสบายใจเอกะกะตาคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้รับความสุขในชีวิตไปจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในขณะที่เข้าฌานอยู่เมื่อได้สัมผัสความสุขซึ่งแตกต่างจากที่ตนไม่ได้ปฏิบัติธรรมะระดับนี้จึงกำหนดว่าตรงนี้แหละเป็นที่สุดแล้ว ดังนั้นจะมีการบัญญัติแม้ปฐมฌานว่าเป็นนิพพานคือเป็นจุดสุดจอดของการปฏิบัติส่วนท่านที่เลยขึ้นไปกว่านั้นได้บรรลุสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุติยฌานโดยวิตกคือความจึกที่เป็นกุศลสงบออไปวิจาร์ที่เป็นกุศลก็สงบออไป ภายในจิตนั้นปรากฏปีติสุขและสมาธิที่เด่นชัดซึ่งท่านแสดงว่าเป็นความสุขที่หวานใจยิ่งนักคือมีความทราบซึ้งยากที่คนทั่วไปจะได้สัมผัสท่านก็จะเพลิดเพลินติดอยู่ในปีติความสุขและความสงบนั้นจนมองเห็นว่าไม่มีใครที่จะ ปฏิบัติได้ระดับเดียวกับท่านทำให้กำหนดตรงนี้ว่าเป็นนิพพานก็ได้แต่บางท่านแม้ปฏิบัติเลยไปจนปีติความเอิบอิ่มใจสงบภายในจิตมีแต่ความสุขกับสมาธิปรากฏอยู่แล้วเกิดติดในความสงบและความสุขตอนนั้น ก็มีการบัญญัติว่าตรงนี้แหละที่สุดแล้วท่านก็หยุดอยู่เท่านั้นเองบางท่านอาจจะเลยไปกว่านั้นปฏิบัติไปจนถึงแม้ความสุขก็ส ง, งบลงไปใจตั้งมั่นอยู่ด้วยเบรคขาและสมาธิที่มีความมั่นคงแน่วแนทุกขั้นตอนที่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติ ผ่านมานิวรซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะใจท่านอยู่ในฌานดังนั้นท่านจึงไม่มองมองมองไม่เห็นกิเลสต่มองเห็นแต่ธรรมะที่ปรากฏแก่จิตจึงทำให้หลงผิดเข้าใจผิดว่าตรงนี้ได้แก่นิพพานแล้ว วันนี้พึงสังเกตว่าโดยขั้นตอนของการปฏิบัติท่านทั้งหมดนี้ยังตัดความสงสัยไม่ได้ยังมีความเคลือบแครงสงสัยยังไม่แน่ใจในเรื่องทั้งหลายแต่เมื่อหาคำตอบที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นไม่ได้ท่านก็กำหนดเอาเพียงจุดนั้นๆว่าเป็นนิพพานเมื่อถึงจุดนี้ ที่เราเรียกในปัจจุบันว่ารูปฌานทั้งสประการซึ่งเป็นผลสูงสุดในทางสมถกรรมฐานที่ต้องการจริงๆเพราะตามปกติแล้วหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไม่มุ่งขึ้นไปที่รูปรกรรมฐานหรือรูปฌานแต่จะมุ่งใช้ฐานตรงนี้ยกนามรูปขึ้นพิจารณาแล้วจะเริญนวิปัสสนาต่อไป แต่แท้จริงในสายนี้เองแล้วก็มีอรูปมีรูปกรรมฐาน <c oughs> มีรูปกรรมฐานคือการใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ละเอียดและนามธรรมเข้ามากำหนดพินิจพิจารณาการใช้สานวนบาลีว่าเป็นการเพิกคือยกจิตจากอารมณ์ที่ตนติดอยู่ในขณะนั้น โดยนําเอาอากาศขึ้นมาพินิษฐ์พิจารณาแล้ในที่สุดก็จะมองเห็นว่าอากาศนั้นไม่มีที่สิ้นสุดใดกรรมฐานแนวนี้ใช้บริกา ร, รมเหมือนกันเรียกว่าอ An นันโตอากาศโศอากาศหาที่สุดไม่ได้เมื่อพิจารณาไปเห็นว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ก็จะเลิกสนใจอากาศท่านเรียกว่าเพิกอากาศก้อนมาสนใจวิญญาณเพราะว่าจิตของคนนั้นจะติดจุดในวิญญาณเที่ยงแท้จะติดมากติดน้อยนั้นแต่ละคนนั้นติดจุ่ส่วนจะเห็นหรือไม่เห็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไอ้ความติดวิญญาณนี่เองที่ทำให้บุคคลมีการกำหนดหมายมีการสั่งสอน ถึงสภาวะยืนโรงเที่ยงแท้ไม่แปรผันบัญญัติเรียกสภาวะเหล่านั้นด้วยชื่อที่แตกต่างกันออกไปแต่ถือว่าสภาวะเหล่านั้นเป็นต้นเดิมของชีวิตของโลกของสรรพสิ่งทั้งหลายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบัติขึ้นเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าปรมา ต, ตามันบ้างเรียกว่าปุรุษะบ้างเรียกว่าพรหมันบ้าง บางครั้งมีลักษณะเชิงรู ป, ปรธรรมจะเรียกว่าประชาปฎิหรือเรียกว่าพระพรหมในาศาสนาเหล่าอื่นก็อาจจะเรียกว่าซีอุดหรือซิลหรืออาจจะเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าและบัญญัติชื่อเรียกขึ้นตามภาษานั้ น, น, นๆฉันเรียกว่าโ ย, ย ว, วาเรียกว่าอันละเป็นตน้น ซึ่งนั้นก็คือจุดสูงสุดที่คนเหล่านั้นเข้าใจว่าเป็นต้นตอเป็นที่มาของสิ่งทงั้งหลายดังนั้นทำให้คนติดในเรื่องของวิญญาณและการติดวิญญาณนี่เองที่ออกมาในรูปของสักกายทิิคือความเห็นเป็นเหตุมีตัวมีตนหรือตัวถือตนจนกระจายความคิดเห็นออกไปถึง ยีประเภทใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็เป็นรายละเอียดแต่ขอให้สังเกตว่าสิ่งทั้งหมดที่จริงแล้วมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะงั้นเมื่อท่านไปคอยคว้าอากาศแล้วไปมองอากาศในที่สุดมองเห็นว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดในตรงนี้ยังคงเป็นรูปปะสัญญา คือการกําหนดหมายรูปอยู่เพราะอะไรเพราะว่าอากาศนั้นเป็นธาตุในธาตุหกโลกนี้ที่จริงแล้วประกอบด้วยธาตุหกคือดินน้ําลมไฟอากาศและวิญญาณสิ่งที่ไม่มีชีวิตประกอบด้วยธาตุธาตสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยธาตุหกอย่างที่ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษนี้มีธาตุหก คำว่าบูรุษในที่นี้ไม่ได้หมายเจาะจงว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่พูดถึงสิ่งมีชีวิตโดยเน้นไปที่มนุษย์แต่เอามนุษย์เบื้องสูงเป็นตัวกำหนดได้ง่ายแต่แท้จริงแล้วก็กมีทั้งสิ่งแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายดังนั้นในส่วนของสมถกรรมาฐานผู้ปฏิบัติธรทธะจะเห็นได้ว่า พระเจ้านำเอาธาตุสี่ข้างต้นมาสอนเรียกรวมๆ ว, ว่าจจตุธาตุวัฏฐานคือแยกออกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟโดยอาการต่างๆที่ปรากฏได้ง่ายถ้าจะถามว่าไปแยกทำไมแยกออกไปเพื่อให้ดูตามความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด อันเป็นที่ตั้งแห่งความรัดขัดเพื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงอันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาจนถึงประมาทเดินเลอ่อเพลินในชีวิตของคนนั้นจนถึงกับยื้อแย่งต่อสู้ปราดประหารกันและสร้างสงครามขึ้นมาทําลายล้างกันนั้นที่จริงแล้วมันก็เพียงดินเพียงน้ําเพียงลมเพียงไฟเท่านั้น แต่บางครั้งก็ใช้พวกธาตุสีในลักษณะอื่นเช่นพวกกรรมฐานทั้งสี่อพวกกสินทั้งสิบประการกรสินทั้งสิบประการนั้นก็คือธาตุเาดินน้ำลมไฟมาเพ่งดูเฉยๆเพื่อใจสงบอยู่ที่ดินหรือที่น้ำหรือที่ลมหรือที่ไฟการเอาสีต่างๆมาดูก็คือรูปก็หมายถึงธาตุดินที่ประจักษ์ชัดแก่ สายตาของบุคคลแต่ในชั้นนี้เอาอากาศมาดูด้วยไม่ดูในการมองแบบกระจายแต่ให้มองเพียงจุดใด จ, จุดหนึ่งเพื่อให้จิตสงบอยู่ที่ช่องว่างต่างๆซึ่งในช่องว่างเหล่านั้นที่จริงเราคิดว่าว่างเราคิดว่ามันว่างจริงๆแล้วไม่ได้ว่างเพราะอะไรเพราะว่ามีอากาศอยู่ในช่องว่างเหล่านั้นก็ทรงสอน ให้นำมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแต่บางครั้งก็สอนดินน้ำลงไฟอากาศวิญญาณในแง่รวมคือเป็นคนเป็นสัตว์โดยการให้เจริญพรหมวิหารสี่ในคนในสัตว์เหล่านั้นที่จริงคนสัตว์เหล่านั้นก็คือการเกาะกลุ่มของดินน้ำลงไฟอากาศวิญญาณมาอนุสติทั้งสิบประการก็เป็นเรื่องของดินน้ำลงไฟอากาศวิญญาณ หยาบบ้างละเอียดบ้างกลางกลางบ้างพอมาถึงชุดชุดนี้ก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นมองเอาเฉพาะอากาศเมื่อมองเห็นว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่ที่ควรเกาะควนยึดเหนี่ยวแต่ประการใดแต่ว่าใจคนยังมีสันทราคะคือความกำหนัดเรื่มนาจความพอใจในสิ่งต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเห็น ที่เป็นสักการทิฏฐิในความเห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่มีตัวมีตนอยู่มีการเดินทางอยู่เลยก็ไปคว้าที่วิญญาณเข้ามาดูในสุดก็จะมองเห็นว่าวิญญาณนี้ก็หาที่สิ้นสุดไม่ได้ใช้คําบริกรรมว่าอนันตังวิญญาณ น, นังแปล ว, ว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดหรือวิญญาณหาที่สุดไม่ได้แต่แต่จะแปล ท่านดูไปดูมาเอาก็จริงแล้วโลกที่ประกอบด้วยนามวยรูปเนี่ยมันจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แต่ในคำถามนี้แสดงว่าท่านโปสารมานบนั้นท่านปฏิบัติเดินมาถึงอาการสานัญจา ย, ยตนะเท่านั้นแล้วท่านก็ติดหาทางไปไม่ได้ไม่รู้จะไปในทางไหนจึงนำคำถามเหล่านี้ มากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้กำหนดด้วยรู ป, ปรสัญญาคือกำหนดถึงความเป็นรูปแล้วในขั้นต่อไปนั้นก็ควรจะทำอย่างไรหรือจะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้อย่างไรก็นี้พึงสังเกตว่าการหลงติดอยู่ในชานนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยแท้จริงแล้วเป็นเรื่องเก่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาอยู่ในสำนัก阿拉าดาบทกาลามาโคดุทกดาบทรามบทที่กล่าวแล้วนั้นท่านทั้งสองนั้นก็ติดอยู่ไหนอรูปกรรมฐานด้วยกันทั้งคู่องค์หนึ่งติดอยู่ในชั้นที่เจ็ดองค์หนึ่งติดอยู่ในชั้นที่แปดต่างท่านต่างก็กําหนดว่านี้คือที่สุดแล้ว เมื่อที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่าทำงานเสร็จแล้วมันก็หยุดทำเวลาพระโพธิสัตว์ได้มาลงมือประพฤติปฏิบัติถึงตรงนี้อาจารย์บอกว่าจบแล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านมองดูจะถามว่ามองดูที่ไหนมองดูที่จิตลึกๆ ล, ลงไปก็เห็นว่า ไม่ใช่ของที่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะส่วนลึกๆลงไปนั้นยังมีกิเลสปรากฏอยู่เด่นชัดมากเพียงแต่ให้มองด้วยจิตที่สงบไม่หลงตัวเองไม่เข้าใจตัวเองให้ผิดไปจากความเป็นจริงก็จะเห็นว่าไอ้ข้างล่างมันยังมีกิเลสอยู่มากมายเันเพียงแต่ถูกสยบไว้หรือถูกเอาทับไว้เท่านั้นเอง ทำนองที่ท่านยกอุปมาว่าเหมือนศิลาทับ้าดังนั้นแม่อาจารย์จะติดแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่ติดไปศึกษาในสำนักของอุตตะกะดาบุอีกชั้นหนึ่งอาจารย์บอกหมดแล้วจบแล้วเอาไว้อยู่ด้วยกันสั่งสอนลูกศิษย์กันดี ก, กว่าแต่พระโพธิสัตว์ท่านใช้ปัญญาพินิจพิจารณา แลก็มองเห็นว่าก็ไม่ใช่ที่สุดมันเพียงแต่เป็นการสงบไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองถึงการสงบนั้นอาจจะนานแต่ว่าถึงจุดหนึ่งจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวของมันเองแต่นัครพุทธเจ้าจึงถอนจากเรื่องดนนี้ออกไปและบำเพ็ญเพียรอย่างที่ทราบกันธรรมปฏิบัติในเรื่องของอรูปกรรมฐาน ที่จริงแล้วก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสายสมถกรรมฐานที่ขึ้นไปโดยลำดับคือขึ้นไปได้จนถึงที่ต้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมาบัตแปแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทางของนิพพานดังนั้นไม่ใช่ตัวนิพพานแต่ว่าเป็นทางเดินไปสู่นิพพานท่านโปสาละมานพท่านก็ถือปฏิบัติตามยุคสมัยนั้น ดังนั้นถ้าลองสังเกตพิจารณาคําถามของท่านมานพทั้งสี่กคนแต่ละท่านเป็นการถามจากขั้นตอนของการปฏิบัติที่แต่ละท่านกําลังมีปัญหาอยู่คือถือว่าเสร็จแล้วอย่างจึงมากราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจา้าแต่ในชั้นของการปฏิบัติทั่วๆไปนั้นบุคคลสามารถอาศัย ประโยชน์จากช่วงนี้เป็นเครื่องพัฒนาจิตใจของตนที่ท่านใช้คำว่าเสพจนคุ้นอบรมและทำให้มากก็ <også> จะได้ประโยชน์จากชั้นหนึ่งของคำว่ารูปสัญญารูปสัญญาคือการกําหนดหมายว่าเป็นรูปนั้นรูปนี้นั้น พึงสังเกตว่ามีอิทธิพลต่อจิตใจของบุคคลเป็นอย่างสูงทางด้านดีและด้านไม่ดีถ้าด้านดีก็เป็นอารมณ์ให้เกิดความสงบเกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้ดีเกิดความดับได้ก็เหมอกันปนัญหาสาคัญจึงอยู่ที่ว่ากำหนดอย่างไรเพราะอะไรเพราะอารมณ์ของกรรมฐานเองก็กำหนดรูปกำหนดนาม อารมณ์ที่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็กำหนดรูปกำหนดนามแต่อารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสจนถึงประกอบกระทากรรมเป็นบาปนานาประการจนถึงบาปสูงสุดมันก็เกิดจากขึ้นเกิดขึ้นจากการกำหนดรูปนามในที่นี้จะเพาะจะกล่าวเฉพาะส่วนของรูปได้แก่สิ่งที่บุคคลเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหู ส ด, ดมด้วยจมูกลิมด้วยลิ้นในถูกต้องด้วยกายในชั้นของการปฏิบัติชั้นศีลมักจะสอนในรูปของการหลีกเว้นให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นคือไม่ไปเกี่ยวข้องตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าข้อปฏิบัติในชั้นศีล น, นั้นมีลักษณะที่มินเมยคือพลังพลาดได้ง่ายเหมือนกับคน ว่ายน้ำในกระแสน้ำเชี่ย ว, วโอกาสที่จะจมน้ามันยังมีอยู่มากกร น, นีบุคคลสามารถสังเกตได้โดยตัวเองว่าสีห้าหรือสีแปที่สมาทานไปนั้นบางทียุ่งยุ่งขึ้นิงไปไม่ได้ตลอดครึ่งวันและมีอยู่ไม่น้อยแม้ในขณะรับสีลอยู่นั่นเองสีขาดไปเยอะดือ้อรับบยังไม่ครบห้า อยู่มากัดตบยุงตายเลยแล้วนี่แสดงว่าศีลขาดตั้งแต่รับจะไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะมั่นคงตอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ดีเว้นรูปบางอย่าง้อย่าใกล้ใกล้รูปเหล่านั้นก้อนนี้เป็นสังเกตว่าชั้นศีล ร, รมจรญยาก็ทรงสอนรูปรูปไปว่าอย่ากเกี่ยวข้องกับหาสมาคมกับคนผ่าน นั่นคือหมายถึงขั้นของการหลีกเว้นแต่โครงสร้างการปฏิบัติในชั้นนี้ก็เรื่อยไปจนถึงกับอย่าอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมอย่าไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปอใสํานวนมาเีทซียใช้คําว่าอะโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปเพราะเราไปแล้วมีความเสี่ยงสูงอาจจะมีขากน้ําหลุมบ่ออันตรายอาจจะมีภัยจากคนจากสัตว์ จากจบจากธรรมชาติต่างๆาเลยจนที่รังเกียจระแวงสงสารคนอื่นอาจจะพลอยค้าปลอยผลไว้กับคนอื่นก็ทํานองเดียวกับที่คนไทยพูดว่าอย่านอนหลับโรงโป้าการสถานที่เหล่านั้นเป็นที่ที่ไม่ควรไปและอย่าไปแม้จะไม่เป็นเล่นบอกไปนอนหลับอยู่เวลาตํารวจก็จับก็ต้องติดร่างแหบไปด้วย แต่ออกมาในชั้นข้อการหลีกเว้นรูปบางอย่างได้แก่พฤติกรรมที่เป็นพิษเป็นภัยต่อ ต, อตอนเองต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เช็นแหลงอบายยมุขต่างๆพระเจ้าถือว่าเป็นอักโขจรถือสํัหรพระแล้วไปไม่ได้เลยแต่สำหรับชาวบ้านจะเพียงแต่สอนให้งดเว้นบอกไว้ว่านั้นเป็นทางเสื่อมอย่าไปแต่ใครสมัครจะไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ก็บอกแล้วว่ามันเป็นทางเสื่อม นี่แสดงเห็นว่าคือให้หลีกเว้นรูปบางรูปแต่ไม่ใช่หลีกเว้นทุกๆุกรูปแต่ใ น, นคําสอนในชั้นมงคลชีวิตจึงแยกออกไปอีกทางหนึ่งว่าให้คบหาสมาคมกับบัณฑิตให้อยู่ในประเทศที่สมควรซึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บุคคลได้รูปบางอย่าง ที่จะเป็นปัจจัยกระตุ้นเตือนให้คนได้รหนักถึงคุณค่าของความดีได้แบบอย่างได้ตัวอย่างได้คำสอนได้หลักประพฤติปฏิบัติเพื่อจะนาตนเองให้ประสบความสุขพอมาถึงชั้นหนึ่งเป็นหัวเชื่อมต่อระหว่างศีลกับสมาธิถึงหมายความมันศีลมั่นคงพอสมควรแล้วแต่จิตใจนั้นยังวกแวก ว, วันไว เพะความหวั่นไหวของจิตพึงสังเกตว่าศาสใดที่ยังไม่ถึงฝั่งแห่งทิฏฐิหรือบางทีท้ชาช้าคำว่าฝั่งแห่งนิพพานได้แก่พระโสดาบันแล้วไม่มีใครไว้ใจใครได้เลยเรจะมั่นคงอยู่ได้สักแค่ไหนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเรามั่นคงแข็งแกร่งแล้วไม่มีอันตรายแล้ว การได้รู้สึกได้เช่นนั้นเพียงเพราะไม่มีอะไรกระแทกแรงๆท่านั่นเองเพราะถ้าโดนอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดกับก่อให้เกิดความขัดเคลื่องทั้งสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมากระแทกแรงๆแล้วโอกาสที่จะพลาดได้ทั้งนั้นแม้ท่านที่ได้บรรลุฌานชั้นสูงก็เสื่อมได้เพราะพวกฌานเองก็ไม่ได้แน่นอนอะไร เพียงแต่สยบกิเลสเอาไว้คล้ายๆกับเอาของสุกปรกไปใส่ภาชนะปิดฝาเอาไว้ลองใครไปเปิดฝาออกกลิ่นมันก็ระเหยออยกมาเท่านั้นดังนั้นพอชั้หนึ่งก็สอนให้สัมรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องคือเมื่อจําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับรูปทั้งหลายสัมรวมระวังไม่ใส่ใจรูปบางรูปแต่หมายความว่ารูปบางรูปก็ใส่ใจได้ าการกำหนดหมายรูปเหล่านั้นที่จริงตัวรูปนั้นไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ที่ความรู้สึกต่อรูปที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคล น, นั้นดังนั้นจึงกำหนดเป็นวงกว้างๆเอาไว้ให้วินิจฉยัยเพราะระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคือรูปนั้นอาจจะเป็นที่ตั้งของความกำหนัดก็ได้ไม่กำหนัดก็ได้เฉยๆก็ได้ แต่ถ้าหากดูแล้วจะเกิดความกับหนักก็อย่าใส่ใจระวังใจย้า้กัดเคลืองในรูปมันเป็นที่ตั้งแห่งความกัดเคลืองเพราะงั้นถ้าสนใจไปแล้วจะเกิดความกัดเคลืองก็อย่าสนใจนี่แสดงว่ารูปประสัญญา น, นั้นสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างใช้ในทางให้เกิดความสงบระงับเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับก็ได้ใช้เพื่มกิเลส ก, ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดหมายรูป เป็นประการสาคัญแต่นั้นในชั้นการปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาปัญญาแล้วในชั้นแรกคือลีกเว้นพอในชั้นที่สองก็กาหนดระลึกรูปบางรูปเพื่อให้เกิดความสงบในชั้นที่สมเมื่อปัญญาปรากฏเด่นชัดว่ามองรูปเหล่านั้นอย่างไรแทนที่จะมองรูปอะไรเพราะผู้มีปัญญาสามารถหาประโยชน์ได้ทั้งจากรูปที่ดีและรูปที่ไม่ดีต่อแต่นี้ไป ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป